ไม่สงบรับธรรมะไม่ได like ้เราต้องทําความสงบกายสงบวาจาสงบใจกายก็ต้องทําความสงบคือไม่ต้องหยิบนั่นช่วยนี่ไม่ต้องกระดูกทำความสงบหาว่ามันจําเป็น ถ้าต้องพิกไหวก็ไม่เป็นไรแต่ ว, ว่าทั้คู่ไม่สงบนะไม่ใจ่ข็งนั้นเสียกระดุกระดิกนู่นนี่อะไรน่ะต่างจับน้นเฉยนี่อะไรต่างนั้นเรียกว่ากายไม่สงบวาจาก็คือไม่ต้องพูดต้องคุยกันต้องสงบวาจา ใจก็ต้องทำความสงบคือให้อบให้ตั้งใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันเป็นสมาธิไปนในตัวตั้งใจฟังธรรมเทศนาแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นเรียกว่าใจสงบเป็นสมาธิในตัวการฟังเทศก็คือต้องการ ใจสงบนั่นเองถ้าหากว่าใจสงบแล้วสงบจนกระทั่งฟังเทศไม่ได้ยินเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วฟังเทศธรรมเทศนาที่พระเจ้าเทศให้ภิกษุสงฆ์ฟังก็เหมือนกันตั้งกใจให้ทมคนสงบนั่นเองให้เป็นสมาธิอันเดีย ถึงพระเจ้าพระสงฆ์นันเทศนาก็เหมือนกันต้องการให้ทําความสงบเท่านั้นเราทําความสงบก็ถูกแล้วนะไม่ต้องไปฟังท่านพูดมากหรอกมันถูกอันใดหนึ่งของเราแล้วมันสงบแน่วแน่เต็มที่เลยมันก็ถูกแล้วนะฟังไปมากสักเท่าไหร่ใจไม่สงบก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควจรจึงว่าการ ฟังเทศฟังการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในที่พระจะเทศให้ฟังนั้นคือธรรมะเป็นของสงบแต่ตัวของเราไม่สงบมันก็ไม่เข้ากันได้ก็เข้ากันไม่ได้คือไม่รับต้อนไม่รับต้อนรับรองธรรมะคาสอนพระพุทธเจ้าท่านอย่างเทศนานักเทศท่านจะบอกว่า สั้งโซต菩萨คือหูทั้งสองเป็นผ้าชนะทองรองรับซึ่งพระตามเทศนาท่านพูดเป็นจำนวนเป็นภาษาให้มันคล้องจองกันคราวนี้เราทำความสงบในใจไม่จ้องไปรับรองไหนแล้วมันเป็นอนวะว่าถูกต้องแล้ว วันนี้จะเทศนาเรื่องค้นสีเ่าค้นเกิดมาต้องสีจําพวกนี้แหละในโลกอันนี้ไม่นอกเหนือจากสีจําพวกนี้หรอกคนจีจังพวกนั้นท่านบอกว่าตะมโมตัมะ ปราญโญท่านว่างั้นคนมืดมาเต็มตน้นเกิดขึ้นมาแล้วมืดเป็งต้ตนแล้วก็มืดต่อไปอีกจังพวกนี้ใช้ไม่ได้ตัมโมโชติปรายโนมืดมาแล้วสว่างไปนั้นก็ ย, ยังดีหน่อย โชติตมโมปรายโนสว่างบางตนแล้วมืดเปลืองฝ่าย บ, าบ้านปลายอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันตโม โ, ช ต, โ, ตมโ ช, ตชติปรายโนตโมโชติโชติปรายโนสว่างแล้วก็สว่างต่อไปนั้นดีมากทันวังนั้นสี่อย่างพวกนี้แหะ คนในโลกนี้ทั้งหมดอยู่ในพวกในจีบพวกนี้ทั้งนั้นบางคนเกิดขึ้นมาไม่รู้เดียงสายเลยเหมือนกับนกเกิดสัตว์มืดตื่หมดพูดอะไรก็ไม่รู้เรืเเ่อง ร, ร, รู้ราวเรื่องศีลเรื่องธรรมม่มีประจำตัวเลย เอาใจว่าเราโง่เง่าเต า, าตูตนถ้ามีสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำความดีต่อไปเห็นเอาหมดวิจัยของเราแล้วซ้ำเติมเข้าไปอีกให้โง่เข้าไปอีกให้ทึบเข้าไปอีกให้ตื้อเข้าไปอีก นั่นนะเรียกว่ามืดมาต็ดต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกคนเราให้คิดดูเกิดขึ้นมาถ้าไม่ศึกษาและเรียนจะไม่คงรู้จากไหนเรียนอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้คงรู้อันนี้ถือว่าจนโง่แล้วก็เลยไม่ศึกษาแล้วเรียนได้ไหมปฏิบัติมันก็ยิ่งโง่เข้าไปกว่าเก่า คนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นจึงว่าผิดพลาดจากมนุษย์เลยทีเดียวเป็นมนุษย์แล้วก็ผิดพลาดจะจากมนุษย์หมดทุกสิ่งคือประการแทนที่จะคิดถึงว่าความมืดความโง่ของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันโง่ที่สุดเราจะต้องสแสวงหาเครื่องสว่าง เป็นเครื่องสองทางเราถึงไม่ได้มากก็ตังนิดเดียวก็เอาก็เป็นการดีอันนั้นน่าดีคนนั้นเรียกว่าค่อยสว่างเงินสักหน่อยอย่าไปถือว่านิสัยบุตรวาทนาเราไม่ให้คือไม่ส่งเสริมบุตรวาทนาของเราเลย เกิดขึ้นมาบนวาสนานีสัสใจของเรามันต่ำต้อยไม่สามารถที่จะเจริญพาฒนาธรรมธมที่ใดเลยมดเพียนแข่นั้นเราเห็นแนล้วรือวาสนานี้ใสของเราเรารลูล่เลืพบค่อนชาติก่อนเราทำอะไรไว้มันจึงโง่เงาต่อตูนมันยังทือมันยังไม่เป็น ทำอะไรก็ไม่เป็นเป็นผู้เรื่องหรอกแต่โดยความถือเอาทีเฉยโดยคนที่ว่าเราไม่มีปัญญาก็เลยถือเอาเฉยเฉยนี่แหละครับบุญวาสนาแต่ก่อนทําไม่มีจะให้บุญนั้นส่งเองให้บุญนั้นส่งเสริมไปเองเมื่อไรมันจะส่งเสริมให้เราบุญวาสนา เราต้องขวัญขวายเราต้องสแสวงหาเราต้องงบหลมที่คันท่าแล้วไม่โอละ ม, มันจะเป็นหนึ่งบุญวาสนามันจะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาก็ น, นอนแปะไอเพียงแคน่นี้แหละบุญวาสนาไม่จะมีอะไรให้เรา เราที่ะจําเป็นที่จะต้องทําบุญกระตัวของเราว่าศสนากนระตัวของเรานิสัยกระตัวของเราเราทําให้มันเกิดจะมีขึ้นมาหน่อยมันไม่มีมากกว่าต้องมีน้อยทําแล้วมันต้องได้มันไม่ทํามันจะได้อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงค่อยจ ะ, จะเจริญต่อไป คราวนี้เกิดขึ้นมามืดแล้วสว่างต่อไปเพราะนั้นมันดีอ่นบุคคลผู้แสวงหาต้องเป็นอย่างนั้นต้องแสวงหาทางพ้นจากทุกต้องแสวงหาคนดีมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาไม่ีใครแล้วจะเป็นนักปรัชญาอาจารย์แต่เกิดมาไม่มีทั้งนั้น จะเป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวไม่มีต่ต้นมันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทั้งนั้นต้องมีการศึกษามีการเาเรียนตั้ง ส, สิบสิบปีกว่าจะเป็นคณาดาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ก็ได้นานเรียกว่ามืดมาตนต้น แล้วก็สว่างค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นดีมากคู่เป็นกันนั้นค้านี้นนสวางมึงต้นไหนอันนี้มือตอนปลายอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นมาเป็นคู่ฉลาดเียบแหลมเกิดขึ้นมาในตระกูลอันดี มั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการแต่กลับเป็นคนเลวทำชั่วเห็นว่าเรามีเงินมีทองเรามีเราอยู่ในตะกูลมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆกลับทำชั่วยิ่งร้ายเกา่าเก่าทำได้ทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่าง เพราะมีเงินมีทองพอมีชื่อมีเสียงมีตระกูลพ่อแม่ของเรารุ่มรวยพ่อแม่ของเรามีอำนาจวาสนาเราทำเมื่อทำไปแล้วนั้นยากที่จะ ก, กลับคืนมาหาความดีได้คือมันเลวซามมาแล้วนิสัยชั่วเข้าไปแล้วติดสันดานทั้งตน กลับคือเราเป็นมาทำดีก็อับอายขายที่หน้าเขานั่นทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้คนอื่นวุ่นวายเพราะเหตุเราคนเดียวเท่านั้นนั่นเรียกว่าสว่างมาแล้วกลับมืดไปอีก นั้นไลยกาดกว่าเพื่อนไลยกาดกัาที่ว่ามืดแล้วกลับมืดอีกนัตอีกลายกาดกับที่ว่ามืดแล้วค่อยสว่างไปสว่างแล้วมืดนี่กลับไลยกว่าอื่นกับคนอื่น ตโมโชติไอโชติโชติป ร, รายโนนันดีมากแล้วเกิดขึ้นมาในแต ก, กูลเกิดขึ้นมาในแต ก, กูลนั้นที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองมากมายแล้วมาคิดถึกตัวพอเราอบดมสมบูรณ์น่นขอบุญวาสนาบัตรมี แต่เก่าอันนั้นเราเห็นชัดไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกเมื่อก่อนม่นต้องเกิดอธิตฐานเห็นแล้วในปัจจุบันควรที่มีเมตตามีาควที่เห็นดูสงเคราะห์สงหาคนอื่นตัวของเราก็ให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็แนะนาคนอื่นให้ตั้งมันอยู่ในศีลในธรรม ให้ประพฤติเดียเพื่อชอบประกอบไปในการกุศลนา น, นเรียวกว่าจเจริญรุ่งเรืองต่อไปจเจริญรุ่งเรืองทั้งตนด้วยทั้งคนอื่นด้วยเมื่อจเจริญทั้งตนแล้วเนี่สอนท่านคนเจริญรุ่งเรืองไปด้วยตัวของเรายิ่งได้ความเจรินยิ่งยิ่งนไปอีก กวดจำขวดปกติธรรมดาเขาคุณเขาได้รับคุณงามความดีก็จะส่งเสริมผู้ที่เราผู้ที่สอนเขาเพาะฉนี่ิยมนับถือนับนาถือตาย่องย่องชนะเสริมนั่นคิดถึงคุณงามความดีอย่างนี้ไม่ใช่เราคิดถึงตัวของเราแล้ว ว่าเรามีเรารวยเรามีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วข่มเหงคนอื่นอันนั้นมันกลับเป็นชั่วต่อไปมืดต่อไปอีกอันนี้ทั่วไปที่พูดถึงเรื่องคนจีอย่างพวกนี้ทั่วไปต้องเป็นอย่างนั้นครานี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรปฏิบัติ ตโมตมะปราญโนเราเป็นคนไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่คิดจะทำคุณสมาธิภาวนาคุณงามความดีอะไรทั้งหมดเราเป็นคนทุกคนจจดเราเป็นคนไม่มีสติปัญญาเคยหมดค้นทางที่จะทำดีต่อไป คือหัดสมาธิภาวนา น, นั่นเองเราเป็นผู้ปฏิบัติคานิตตะโมตมะตะโมชวติปรายโน mm. เกิดขึ้นมาทุกขนตรงมืดมนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่สว่างมาแต่บเบื้องตน้น สิ้นก็มารู้จากสมาธิความได้จากปัญญาได้ไหมก็มาได้จากเบื้องต้นใครเกิดขึ้นมาจะเรียนมาได่เบื้องต้นไม่มีหรอกถึงเรียนรู้แต่เบื้องต้นชาติเรียนรู้แล้วก็ตามการมาเป็นคนต้องเป็นบุตุชนธรรมดาพระริยเจ้าว่าต้องเป็นบุตุชนได้ก่อนโสดาสิกิทาคาในีชาติฝันมาต่างตื่นเมื่อเกิดกลับเมื่อเกิดมาเป็นคนนี่ก็ต้องเป็นบุตุชนธรรมดานี่แท้แต่ว่า เกิดว่าเป็นคนแล้วมันหา่างบรรดมนไดานิสัยวาสนาต้นนั้นได้ยินได้ฟังว่าเกิดความรู้ความฉลาดชี้กเพื่อนมันยังสามารถกลับตัวให้เป็นคนดีได้ได้สาเร็จได้จังกลับตัวเป็นคนดีได้ให้เป็นพระอาจารย์ให้เป็นพระเดียวต่ออาเรียกเจ้าต่อไปเป็นโสดาสกิทาครารนาคาต่อไปอาศัย นั่นแหละบุญวาจะดาแท้นะไม่ใช่จะเอาโซดาได้ก่อนมันมาเป็นโซดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หอกจกคิท้าขาได้ก่อนมามาเป็นสกุลละจะคิทาคาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพื่อเป็นเช่นนั้นยังว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคน เป็นคนเมือ่อแต่พยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาเขาตั้งใจพยายามทำต่อไปการพยายามทำนั้นต้องเป็นคนสำเร็จศาสนานี้ต้องอาศัยการทำไม่ใช่การอยู่เฉย พระพุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งนั้นจึงจะ ด, ดีต่อไปทำต้องท ำ, ทำจริงจริงจังพยายามทำจริงจริงจั ง, จร ง, จรงเราจะไปอ้างว่าการเวลาเราจะไปอ้างงานธุระกิจการงานนั้นนี่นั่ อันนั้นมันเป็นเครื่องประกอบไม่ใช่ของเราเครื่องประกอบมาเชียดเทนั้นเนี่ยของเราแท้คือการกระทำนี่แหละกระทำคุณงามความดีนี่ของเราแท้แท้ที่เดียวหัดสมาธิภาวนานี่แหละตั้งสติกำหนดจิตนี่แหละของเราแท้แท้เดียวนี่เคนอื่นมาแย่งก็ไม่ได้หรอกเราทำนี่แหละเป็นของเรา การงานห้เงินน่ทองเก้าของสมบัติอะไรต่างๆของภายนอกนั่นไม่ใช่ของเราเราใช้ในเมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายก็แล้วตายไปแล้วไม่เห็นเอาไปสักคนเดียวไปคิดเสีย อ, อย่างนั้นจึงค่อยทำได้ทำสมาธิภาวนาทุกอิปัฏฐากยืนเดินนางนอน อันนี้เป็นของของเราแท้ๆควรทำแทนน้ยังว่ามืดแล้วกลับสว่างต่อไปแล้วค่านีมืมดแหละขานี่สว่างแล้วกลับมืดล่ะมีมากสี่เดียวเรื่องคนนี้เมื่อหัดสมาธิปวนา เกิดความรู้ความฉลาดอาถานพูดจาพาธีคล่องแคล่วเพราะเป็นเองเพราะเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาในใจของตนเองขั้นต่อไปแล้วเกิดความประมาทประมากด้วยกิจวัตรคอวัดต่างๆประมากในการทำสมาธิภาวนาลยเสื่อม เสื่อมแล้วคราวนี้ทำไม่ถูกสมาธิพ อ, อนานน่าจะทำให้ถูกทำยังไงยังไงก็เลยทำไม่ได้ก็เลยเบื่อหน่ายขีเกียรในคนที่สุดเป็นผ้ากอดซื้อเป็นชีก่อดตะละชีเสียเป็นกาาราษวัยกอดกระดาวัดวาดเสีย เลยไปทามาหากินตามปกติธรรมดาแผนที่จ ะ, จะเจริญต่อไปด้กลับเสื่อมเสียอันนั้นน่าน่าเสียดายมากทีเดียวน่าเสียดายด้วยน่าสงสารด้วยอันของดีๆทำมาแล้วนะั้น เลยกลับทิ้งเสียทอดุราเสียยังมีหนำบางคนพูดหยาแ ย, ยามดูถูกกันอีกศาสนานี้ทำเท่าไหร่ก็ทำเถอะขา้าพเจ้าทำมาแล้วถึงขนาดนั้นยังไม่เป็นไปยังเสื่อมเสียได้มันน่าเสียดายมาก เยียดยามรู้ถูกศาสนาการบวชการเรียนการศึกในการเขวัดฟังธรรมเคยมีเมื่อกันไในวัาที่เคยมีเมื่อนกันไปอะไรทำคทุณทำทานในวัดไหนวาฉันทำมาแล้วมากมายไม่เห็นได้อะไรหรอกเคยมีมาแล้วนอกจากนั้นเนอะ ตัวของเราตัวของคนคนนั้นเองนม่มอมเมาด้วยเราด้วยกับสาสารพัดทุกอย่างในคนที่สุดจวนจะตายมาลรู้สึกตัวหมดแล้วหมดต่างแก้ไขแล้วอันนั้นเรียกว่า มืดเบื้องต้นใ้สว่างเมืองต้นแล้วกับมืดทีหลังอันน่นาเสียดายมากสว่างแล้วสว่างต่อไปนั่นไม่มีข้อติไม่ต้องอธิบายสว่างแล้วสว่างต่อไปสรุปรวมจะีวรวมเรียกว่าศาสนานนี้ สอนให้กระทําได้น้อยกวากระทําน้อยแนคะ่ละยินดีพอใจกับการกระทั่มต้นเรามีน้อยมีมือได้น้อยแล้วก็เอารับเอาของได้น้อยแหละรับเอามากเกินมือเกินกรอบของเราก็กอบไม่ได้แล้วก็กอบมากรวเท่าที่มันมีอยู่ในมือของเรานะ่ะมือได้น้อยนะ เรากำลังน้อยแล้วก็แบกก็หามาเท่าที่มันแบกได้อันนะั้เอามากก็ท่ากับแบกไม่ไหวหลังหากความยินดีตามีตามได้ท่านบอกว่าเป็นสมบัติลามค่าหาประมาณไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมือ น, นกันไม่ว่าธรรมะไม่ว่าของภายเนาะเหมือนกัน มีน้อยแล้วไม่พอใจอันนั้นเสียหายมากอย่างเขาเล่าถึงเรื่องเขาไปเก็บเห็ดในโคกเห็ดดอกเดียวเลยไม่เอาไปเห็นที่ไหนก็เห็ดดอกเดียวไม่เอาหรอกาม้ามากคนคนหนึ่งเลยกลับเก็บเห็ดดอกเดียวนะ่ะเห็น ด, ดอกเดียวเหร เก็บเห็นเดาเดียวเก็บเลื่อยไปกลับมาบ้านได้พอหม้อแกงคนที่เห็ดเดกเดียวแล้วไม่เก็บกับเขามาบ้านเห็นเขาเก็บเก็บเห็ดเดาเดียวมาแกงเต็มหม้อไปได้เห็ดมาให่เก็บเห็ดเดาเดียวแล้วเอามาแกงหมอนี่ครัแกงหม้ออ้อยแกงเห็ดหมอนี่เก็เห็ดเดียวนี่ยเาว่านะนั่นเนื้อตัวย่าง ความมักโลภอย่างใด ม, งมากไม่ได้หรอกเขาลองดูที่ห้าเงินหนาทองขายได้ไปหมื่นไ่แสนไม่เห็นมีหรอกเก็บอักเก็บสตางค์นี่ทั้งนั้นเนี่ยเก็บบาทเก็บเนี้ยนี่ทั้งนั้นแต่ต้หมัดกันทียังค่อยจเจริญมันก็งมามมาด้วยลำดับนี่หลสะสูตรใจขควมรวมเรียกว่าขอใจ กับธรรมะที่เรามีอยู่ยินดีพอใจเช่นว่าเมตต์อรุณนนามุทิตาอเปขาเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาเมตตาเป่ามิตรเหมือนกับตัวของเราของเขาเขาทุกข์ก็เหมือนกับเราทุกข์เขาสุข ก, ก็เหมือนกับเราสุขเอาอันนัน้นอันเดียวเท่า น, นัา้นแหละ ทำใจให้เปิกบาน ท, ทำใจให้ก้วงควางทำใจให้เต็มตื่นอิมอนอ่มอกในอีมกิใจของเรามันเมตตาเมตตาคือมันมิตรมิตรก็คือคล้ายๆเลยเขากับเราอันเดียวมันเป็นมิตรเหมือนกันการุนนาอยากจะให้เขาได้ความสุข สงสารเอ็นดูอยากไงก็ได้ความสุขมันทุกข์ก็อยากไงเขาได้ความสุขมู้ดุตาเขาสุขแล้วก็ยินดีพอใจกะเขาพอใจยินดีกับความสุขของเขาอนะันนั้นอย่าไปอิจฉาเบียดเบียนเขาดีแล้วไปอิจฉาเบียดเบียนก็ไม่ได้ อันนั้นไม่ไมเป็นธรรมธรรใจของเราเศร้าหมองเหตุ น, นั้นเมตตาท่านยังสอนให้เป็น ข, ขอ้อข้อคือมีเมตตาต้องอยากจะให้เขาได้ความสุขถ้าช่างค่ายได้ความสุขแล้วก็มุทุตายินดีพอใจทับความสุขนะัน้นอะกรุณาพอใจอยากจะให้เขาความสุข มูทุตาก็อินดีพอใจแล้วเขาเลยเป็นล่มพอล่มใส่กว้วงขวางต่อไปถ้าหากลงถึงอุเบกขาแล้วก็ดีอุเบกขางเฉยได้ถ้าไปเจียวข้องน้องเขามันอยู่ได้เพียงแค่ความสุขมันเพื่อเพื่อนอีบเอิบกับเขานาให้เขาได้ความสุข เขาได้กองไปยินไปเดือนร้อนทุกข์เขาอันนะัไม่ถึงอปุปเกขาแค่ทพียงถ้าเอุปเเกขนี้วางเฉยลงไปได้จึงค่อยสบายใจเดี๋ยวอุปเกขาแล้วเป็นกลางลงไปได้ ไม่ยินดียินรลยขเขาเขาเอาละอธิบายเท่านี้ละอธิวันนี้เอานั่งสมาธิภาวนากันฟังแล้วต้องทาเรียกว่าฟังทมฟังแล้วไม่ทา เก็บไวันา น, าน้เนี่ยเขาจะทำคิดว่าไปถึงว่างก่งอนเถอะยังค่อยทําหรือวันหลังก่อนเถอะว่างแล้วก่อนเถื่อโอกาสมีเนี่ยค่อยทําอันนั้นเรียกว่าฟังเทศไม่ใช่ฟังธรรมพูดภาษาบ้านเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆเนี่แหละธรรมคือการกระทำมันเองธรรมคือการกระทาของเราเนี่ย เรียกว่าธรรมคือตัวของเรานี่เป็นธรรมะในตัวเราแล้วทั้งหมดกายทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าเราไม่ทําให้เป็นธรรมเราไม่ทํธรรมนั่นให้เกิดขึ้นมาในตัวเรียกว่าไม่ทํา ธรรมเทศนาพราะองค์เทศเทศที่ไหนไม่เทศที่กายของเราไปเทศที่ไหนเทศเทศที่กายวาจานี่แหละอเทศที่กายที่ใจดีแหละต่คนดูเถิดไหนก็ไปคนดูเถิดไปฟังเถิดฟังที่ไหนก็ไปฟังเถิดไม่มีหรอกนอกจากกายกับใจแล้ว<ม>เทศดนทั้งนั้นจึงว่าธรรมในตัวของเราแล้วการกระทำนั้นเรียกว่าธรรม ทำคำสอนอพระพุทธเจ้ากายมีอยู่ให้พิจารณาถึงเรื่องกายนี่นการกระทำเกศานุ ม, มานขาดันตาตะโจอาการสาที่สองบ่นอยู่สเสมอเราพูดสเสมอแลาสวดเสมอพูดมากมันเรียกว่าบุญแต่ว่าไม่ให้มัน ไม่ทำให้เป็นไปสักทีเกษาโนมานะคาตันตุจตาตาโยของในตัวงเรานี่ทั้งหมดทำให้มันเห็นดิเพรามันเห็นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเกษาคือผมเกิดที่บนศีรษะ สุปรกที่สุดก็คือผมเกิดบนจีสะตคล้องสุกภกไว้ที่สูงด้วยคนเห็นก็เห็นผมมาก่อนคนเราะเห็นผมมาก่อนของสุกภกที่สุดดูมันตกเสีอาหารการกิ น, นระเกียดจนเททิ้ง ของมันเน่ามาันจก็ปกงปิ้นก็เหม็นสันฐานล่างสันฐานของผมก็ไม่สวยไม่งามใครจะหยิบจะต้องก็น่นาขกลีออยดขนก็เช่นเดียวกันนอกจากบนที่สะาดเรียกว่าขนทั้งตัว อันเดียวกันนั่นเนี่ยพบคนกันเดียวกันเนี่ยแต่มันอยู่กคนต่างสถานที่เฉยๆเล็บพอเหมือนกันประดับตกแต่งสดสวยงดงามแต่เวลาตัดออกจากเล็บตัดออกจากมือไาแล้วลุ้ยไม่อยากจับไม่อยากต้อง ไปของน่าเกลียดฟันก็สกปรกที่สุดต้องแปลงต้องถูกแปลงต้องวันฟันต้องถูทุกนัทต้องมีจาคัดต้องอียาถูทุกวี่ทุกวันแต่ป่านั้นมันก็ยังเหม็นยังสกปรกอยู่แกทำให้พ้นมันอีกแหละ เวลาเคี่ยวอาหารหได้จะกล้ามคืนคิดว่าต้องไปอาศัยฟันนั้นอีกแหละต้องเคี่ยวต้องบดเพรามันแหลกไต่ก่อนนี้นก็คืนลงไปอันตาหาก็ไม่เคี่ยวไม่แหลกแล้วคืนก็ไม่ได้แล้วขายมาลองดูเดก๋ยวนี้อันมาเคี่ยวมันบดนะแล้วเอากลับคืนไปได้อีกไหม ไม่ได้มันไม่โซคโปรกป ง, ง่ายนั่นโซคโปรกโซโคกที่สุดมนุษย์ของเราพูดมากหลายเรื่องหลายอย่างหมายความว่าโซขปรกที่สุดในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยังชั่วหน่อยมันล้างมันเช็ดต้องถูต้องขัด เวลาตายแล้หมด่าเขาจะรักจะชมจะหอมนักก็ใส่ก็ต่างเถอะตายแล้วไม่สามารถจะไปดมีหรอกแต่ต้องก็ไม่สามารถจะแตะต้องได้นิ่งนานวันเท่าไหร่ก็ยิ่งหน้ากียอัดหน้าเบือ่อ อั น, นี้มันสกปกที่สุดการพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้ายัางสอนสกปกนะไม่สอนอยังไงก็ของมันสกปรกยู่ดีสอนตามเป็นจริงนะสิ พองไม่เอาของเท็จมามาพูดหรอกเขาของจริงเราพูดมันก็ปลกมันเต็กเกิดเกิดเกิดในที่จกุกกรบกของเหม็นวเน่าเป็นขงเติบโตขึต้นมาจะทานได้ของทกุกกระบกอาหารการกินืุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปแล้ว เข้าใจว่าเลตอร่อยอาเลดอร่อยอะไ ร, ออ ร, ออรเราหยิบเราสวยของบันนั้นมาก็ยังต้องล้างมืออยู่มันทุกขปก็ที่จะต้องล้างของเน่าของปฏิกูลของนั้นน่ยอาหารที่มากรุงมาแต่งแั้นล้วนได้ของทุกขบของนั้น เอาใส่ปากเขาก็ยังต้องเอาช้อนใส่ต้องเอาซ้อนตักใส่เอามือบางทีมันก็ไมมันสกก็ปกต้องเอาช้อนมาตักมันค่อยเคี้ยวเอาใส่ปากแล้วค่เคี้ยวได้พระพุทธองค์สอนให้เขาให้เห็นของสกปกในตัวของเราไม่ใช่สอนของดีไม่มีดีจรงเลยสอนไม่ได้ สอนดีไม่ได้ไมีได้สอนสุขบวกข้งนั้นสอนสุขไม่ได้ไมิได้สอนทุกข์ข้งนั้นเพราะพระพเดชจ้าวท่านสอน่าทุกเกิดขึ้นมาทุกทั้งหมดทุกตัวตนในคนเกิดขึ้นมาสุกไม่มียืนหนักยืนมากมาก็ทุก เปลี่ยนไปหาเดินค่อยบรรเทาทุกไปนิดหนึ่งไปเดินไปมากหน่อยมันก็ทุกทุกมันบรรเทาบรรเทาทุกนิดหน่อยก็เลยไป็นนั่งถ้าบรรเทาทุกนิดหน่อยฮะมันเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งนานา น, น่ะก็ก็ทุกอีกเขาไปนอน นอนนะเขาวบาทุกข์อีกกระทำลุกขึ้นมามาเดินอีกแหละวิทยาบททั้งสี่นี่แหละเปลี่ยนอย่างนี้เนะ่ยตั้งแต่เกิดจนวันตายในวันจะตา ย, ยาจริงๆจังเดินไม่ได้มีแต่ น, นอนนั่นนะทุกข์จนนอนจนทุกข์ทุกข์จนตายนอนนะทุกข์จนตาย คนเราพาันหลงทุกข์เป็นสุขได้ทานอาหารการกินว่าตร่นตรงสมบูรณ์ว่าตนสุขสบายมันสุขอะไรทานอาหารเปิกเข้าใจปากเคี้ยว ให้แหลกงันค่อยลืนนั่นเปิดเข้าใจป่ามากันแลแสนทุกตัวคนอื่นมองดูมันทุกแสนทุกเออคืนกินไอ้คืนเองก็ไม่ได้ต้องเปิดเาใส่เปิดนั้นเปิดนี้นนใส่สัดทุกเร่งทุกอย่างงันยังเรียกว่าทุกไม่เห็นทุกอสิ คนเราจึงไม่ภาวนาไม่เป็นคนไม่เห็นทุกภาวนาไม่เป็นหรอกทุกแสนสาหัสจนกระทั่งแทบจะทนไม่ไหวยอมสละตายทั้เมื่อใดนั่นหละเห็นธรรมะขึ้นมาในตัวเครื่อมันปล่อยวางหมดเสียแล้ว ก็มีแต่ จ, จิตตัวเดียวคือปล่อยวางคำว่าสระทุกข์นั้นคือสละตายนั้นคือสระทุกข์สะละร่างกายหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ใจนั่นเนี้ยยังเหลือแต่ใจเดียวตัวแก่นธรรมะแล้วนะตัวใจลัวนั้นอันนี้มันสละกายไม่ได้มาค้อบงมดเรียงกายทันี้ ก็เลยไม่ลงเป็นธรรมะได้เมื่อสระขายได้ยังเดือได้ใจเห็นตัวใจอันนั้นเด่นชัดขึ้นมาใจก็เป็นของสว่างเมื่อไม่มีของนี้ปกปิดปุกตะวันหมดสันทีธรรมะของพระพุทธเจ้าจงเป็นอย่างนี้